<c oughs> เออหาที่นั่งเนอะหาที่นั่งได้ที่นั่งดีแล้วนั่งภาวนานั่งภาวนาแข่งกับหลวงพ่อน่ยหลวงพ่อใหญ่เนี่ยนะไม่คุยกันนั่งภาวนาเงียบๆได้บุญได้ที่นั่งดีแล้วนั่งภาวนาวันนี้ นั่งภาวนานั่งภาวนา <c oughs> <c oughs> วันนี้เรารับอาหารมาส่งตามปกติบนชาลาวันนี้ทุกวันไม่มีทุกวันในพรรษานี่ก็มีแต่ใส่ที่โน่นเสร็จแล้วก็แล้ววันนี้ก็มาถวายบนนี้ได้แล้วอาหารลงนี้ไปก็ค้นไปในครัวทยอยเอาไปนะใครเอาไปเกียดอาหารฮะฮะ อาหารก็เอาไปตั้งไว้เป็นบุฟเฟ่ในครัวพวกเราลงไปก็ไปมีช้อนมีจานก็ตัดรับทานกันผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่ต้องมีคนช่วยดูแลในครัวคือที่รับทานกับบนสะลานี่มันไม่รับกันมันห่างกันมากคนลงไปแล้วต้องขนไปไกลเราจะมีถ้วยมีจานมีอะไรรับทานบนนี้มันก็ลําบาก ทำได้เป็นปริมาณน้อยไ ม, ไม่กี่คนแต่เวลาคนมากๆเยอะๆเราก็ต้องอาศัยในครัวอาหารที่ลงไปนี้ก็อย่าให้มันเรียรา่าดให้ไปตั้งเป็นบุฟเฟ่ตในครัวรับทานการเสร็จเหลือเสร็จแล้วเราค่อยค่อยหยิบแจกจ่ายกันเมื่อก่อนนั้นเราให้มีที่มาอยู่ในวัดนี่เราให้นั่งรับ อาหารอยู่บนนี้ตอนหลังมาเนี่ยในภาษานี้เราก็ปรับใหม่ให้เอาลงไปที่นู่นทั้งหมดแล้วก็ไปไปจัดไปรับกันที่นู่นทั้งไม่ขาวไม่ชีไปรับกันที่นู่ น, น, น, นแต่ว่าปัญหาว่าอาหารลงจากสาลาแล้วขนไปตั้งไว้เป็นบุกเฟ่ต้องมีคนดูแลอยู่ที่นู่น พอได้เวลาพอเรารับพรเสร็จฟังเทศเสร็จรับพรเสร็จเราลงไปเราก็รับทานกันมีถ้วยมีจานมีช้อนเราไม่ได้ไปดูนะมีหรือเปล่าฮะในครัวไม่มีกับให้ตัวอ่อนเนะอฮะในครัวอดข้าวอ้อดช่วยช่วยอดช้อนอดจานกับต้องเตรียมไว้นะ ก็เท่าที่ทํามานี่ก็เห็นว่าช่วยบรรช่วยผ่อนเบาบางคนก็ไปช่วยล้างจานบางคนก็รีบรีบด่วนรับทานเสร็จก็เก็บไว้ให้หมู่เขาล้างก็ได้ถ้ามีเวลาว่างก็ช่วยกันนี่ขนาดวัดเราขนาดคนไม่เยอะคนไม่มากจนสิเกปีนี่วัดนี้สิบเก้าปีแล้วนะนยังไม่เรียบร้อยนี่ฮะยังไม่ยุติ หมายความว่าการที่เราปรับอะไรเพื่อให้เรียบร้อยมันยังไม่ยุติต้องได้ปรับอยู่เรื่อยเพราะมันไม่ค่อยจะเรียบร้อยเราปรับให้มีความยุติคุณเทาวราเพื่อนมาคาวที่แล้วเนี่ยเพื่อนไม่ได้เห็นเราจัดวันนี้เพื่อนว่าโอ้ดีดีเอาไปตั้งไว้เป็นบุฟเฟ่ที่นู่นแล้วทุกคนก็รับกันที่นู่นให้แม่ม่ชีแม่ขาว แล้วคนที่มาอยู่ในวัดนี่เขารับเอาไปก่อนจากนั้นคนเฒ่าคนแก่มีใครมีนี่ก็เลี้ยวแรงก็ช่วยดูแลจัดแก่กันอ่าแล้วก็คนที่มีกำลังก็ไปเดินตักเอาบุ๊เป้เอาอืมซึ่งปริมาณจำนวนมากเนี่ยเหมือนอย่างเหมือนอย่างบ้านตาดไม่ค่อยคำนึงหรอก ได้ไปแล้วแล้วแต่ใครจะมีปัญญาไปอยู่ไปทานไปอะไรตรงไหนมันทําให้ทั่วถึงมันมากมากต่อมากเยอะต่อเยอะอยู่ทําสหายเนี่ยเนี่ยได้ยินได้ยินยมที่เขาเคยไปจำพรรษารับทานที่โน่นเขาทําสหายก็าเรียงเป็นแถวกว่าจะไปถึงข้างหลังนี่กะเสียเวลาด้วยเสียเวลาด้วยแล้วก็หมดด้วยแต่มันก็เรียบร้อยอือ แบบนั้นก็ดีไปอย่างหนึง่งแบบนี้มันก็รวดเร็วก็ดีไปอย่างหนึง่งการรับทานอาหารถึงยังไงก็ตามในวัดไม่เหมือนบ้านเราดอก <c oughs> ไม่เหมือนบ้านเรา <c oughs> บ้านเรามันอิสระแรามาวัดเนี่ยคนหมู่มากเราต้องดูเราต้องถือเรื่องบุญเรื่องกุศลเป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> แล้วก็ให้ให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมบางคนบางคนยังไม่พร้อมหยิบฉวยเห็นบางวัดนี่ท่านด่าให้เลยแหละบางคนไม่ดูหมู่ดูพวกเนี่ยเห็นแก่ความโลภเนี่ยพอฉวยพอได้โอกาสฉวยเอาฉวยเอาใส่พกใส่ห่อใส่ถุงเอาไว้วัฒนธรรมตรงนี้ เราไม่ควรมีแล้วก็ตรงไหนก็ตามอย่างนั้นก็ไม่ควรมีถ้าของที่มันเหลือแล้วครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนแจกแจกกันไปไปรับทานตา ม, มาตามน้อยถ้ามีถ้าเหลือเราก็แจกถ้าเรารับเราก็เราก็เอาถ้าเราไม่รับเราก็ไม่เอาอเพราะเพราะอาหารมันเป็นมันเป็นสิ่งจาเป็นอาหารเป็นปัจจัย เป็นปัจจัยหนึ่งเดียวที่สัตว์มนุษย์สัตว์ขาดไม่ได้เสื้อผ้าอะพอนี่ยังพอขาดได้ที่อยู่ที่อาศัยเรายังพอขาดได้ยุบยาบางอย่างถ้าไม่ถึงวิกฤตเต็มเต็มทนเต็มที่นี่ย ก, ก็ยังพอขาดได้แต่อาหารเราขาดไม่ได้ ส, บบสับเบสตาอาหารรัตติกา อ, อะไรชื่อว่าหนึ่งอะไรชื่อว่าหนึ่ง อะไรชื่อว่าหนึ่งสบเปสตาอาหารรัตทิฏฐิกาสัตว์ทั้งหลายตั้งตนได้ตั้งชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารไม่มีอาหารอยู่ไม่ได้เพราะร่างกายของเราของท่านแต่ละคนแต่ละท่าน น, น่ะเหมือนกับเหมือนกับเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งอ่าเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับโรงงานก็เหมือนกับโรงงานโรงงานหนึ่ง จำเป็นจะต้องมีวัตถุวัตถุดิบป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปแต่โรงงานที่เราเอามาเปรียบนั้นน่ะราปิดไม่ให้มันทํางานก็ได้แต่โรงงานเรานี่ปิดไม่ได้ตั้งแต่เกิดมาแก๊กเดียวออกมาจากท้องแม่เนี่ยปิดไม่ได้เราอยู่ในท้องแม่เราไม่รู้กันแหละเราหายใจหรือไม่หายใจก็แล้วแต่แหละเพราะแต่ระบบระเบียบระบบอะไรยังอยู่ดีก็เราก็มีชีวิตยอยู่ได้เพราะอาศัยลมหายใจจากแม่เราอยู่ในท้องแม่ แต่เราออกมาข้างนอกแล้วเราอาศัยลมหายใจแต่สิ่งที่เป็นปุ๋ยเป็นน้าเป็นอากาศเป็นดินน้ำลมไฟที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงไปทดแทนสิ่งเหล่านี้คืออาหารร่างกายของคนเหานั้นประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟที่เป็นโครงสร้างทุกคนได้มาจากพ่อจากแม่ดินน้ำลมไฟที่เป็นโครงสร้างทุกคนได้มาจากพ่อจากแม่ ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตเนตเหมือนเราเหมือนท่านทุกคนทุกท่านแต่หลังจากนั้นแล้วออกจากท้องแม่มาแล้วตัดสายส่งอาหารสายรบสายสะดือตัดสายตัดสายส่งอาหารเสร็จแล้วเราต้องมาป้อนเข้า ป, ปากาพ่อแม่ป้อนเองป้อนข้าวป้อนน้ำนมโตมารู้เลียงสาภาวะก็รับทานเองเพราะอะไรเพราะร่างกายเนี่ย มันอยู่ในวัยที่เจริญเราก็ใส่ไปแล้วมันก็เจริญมันไปบดไปย่อยในส่วนที่เอาไปบำรุงร่างกายมันก็ทําให้ร่างกายเจริญส่วนที่มันเสียก็เป็นของเก่าก็ถ่ายเทออกมามันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเป็นต้นชีวิตต้นชีวิตหนึ่งขาดไม่ได้ร่างกายทุกคนตั้งตั้งตนได้อยู่ได้ด้วยอาหารเพราะอาหารเป็น เป็นปัจจัยภายนอกที่ไปทดแทนปัจจัยภายในซึ่งมันเสื่อมไปมันสิ้นไปปัจจัยภายในของเราทั้งหมดร่างกายของเราทั้งก้อนเป็นกองสังขารสังขารทุกสิ่งทุกอย่างเขาทํางานสังขารทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้างตัวเราเนี่ยเขาจะทํางานกิริยาอาการลักษณะของเขาคือเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่เท่าเดิมมันไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมได้แหละเราดูเทียนเราเนี่ยเทียนเทียนเราจะไม่อยู่เท่าเดิม เราดูไปเหมือนเขาอยู่เท่าเดิมแต่เทียนมันจะหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปนะมันธาตุไฟนะมันกินไส้มันกินน้ํามันมันกินไส้มันกินน้ํามันมันให้ความร้อนมันให้แสงสว่างมันมีเปลวมันมีควันมันมีความสว่างนะนี่คือธาตุไฟ ในขณะเดียวกันมันไม่หยุดนิ่งมันหมดไปมันเสื่อมไปมันเสื่อมไปถ้าท่านทั้งหลายนั่งคอยดูเทียนที่เล่มเล็กๆซะหน่อยหนึ่งแบบสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงมันหายไปไหนเพราะมันขับมันบวมันย่อยมันหายไปเทียนเล่มหนึ่งกับการทํางานของไฟที่อยู่เฉพาะหน้าเราตอนนี้นั่นแหละคือการทํางานของสังขารสังขารเวลาเขาทํางานเขาจะทํางานอย่างงั้นจะไม่หยุดนิ่งจะไม่อยู่กับที่ ต้นไม้ภูเขาต้นเสาโซลงสลาไฟอะไรอยู่รอบข้างตัวเราเขาจะทํางานเหมือนกันหมดมีกิริยาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปทนอยู่ไม่ได้นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านว่าทุกขังทุกขังที่เป็นรูปธรรมแม้แต่ที่เป็นนามธรรมที่เป็นอารมณ์ภายในใจของเราเช่นเดียวกันทนอยู่ไม่ได้ก็คือนั่นแหละคือตัวทุกข์ต้องเปลี่ยนไปนั่นแหละคือตัวอนิจจังทุกขังอนิจจัง เป็นภาวะที่มีประจําอยู่กองสังขารสังขารของเราของท่านสังขารของพระพุทธเจ้าของใครที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดไม่มีใครสามารถจะปรับเปลี่ยนให้เป็นอื่นไปได้เขาเป็นอยู่อย่างนั้นด้วยไม่มีใครสามารถจะปรับเปลี่ยนให้เป็นอื่นไปได้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่านั่นแหละอนัตตาอนัตตาเราบังคับบัญชามันไม่ได้ไปบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองไม่ได้ท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตา นี่เราเข้าใจหลักเหล่านี้เป็นกรุยหมายป้ายทางภาวะประจำสังขารอันนี้เป็นหลักธรรมที่เป็นปรัชญาลึกซึ้งสูงสุดถ้าใครเข้าใจทั่วถึงคนนั้นก็จะได้เข้าถึงธรรมคนนั้นก็จะพ้นจากความทุกข์ทุกข์จากการที่เราจะต้องมายึดอัตภาพร่างกายนี้ทุกข์จากการที่เราจะต้องมายึดถืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสอยู่รอบข้างตัวเรานี้ ยึดถือเรื่องราวทั้งร้ายทั้งปวงที่ทําให้เราเนี่ยวุ่นวายทุกทรมานอยู่เดี๋ยวนี้ทําให้เราเข้าใจทําให้เราทราบทําให้เรารู้จับปลงรู้จับปลดรู้จับปล่อยรู้จับเปลื้องความทุกข์ทั้งหลายนี่ออกได้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยะสาวกท่านตั้งใจบําเพ็ญเพียรปฏิบัติท่านเข้าใจท่านรู้ทุกถึงท่านละท่านวางท่านปล่อยท่านพน้นทุกพ้นโทษเคยได้ยินลงตาท่านว่าไหมนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปเนี่ย ความทุกข์เท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่เคยผ่านหัวใจท่านเราฟังดูกับพวกเราเน่ยแบ ก, กองทุกข์ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนมันแตกต่างกันขนาดไหนอะไรมันเป็นเหตุทําให้เกิดข้อแตกต่างเราลองพิจารณาลองดูนีเราพอเราพิจารณาไปแล้วเราจะเห็นคุณค่าเราเห็นความสําคัญเห็นความอัศจรรย์นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้หลักความเป็นจริงกดความเป็นจริงเหล่านี้ อ่าเอามาบอกมาสอนแค่พระองค์รู้ด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์มาสอนปัญจวัคคีนะพระัญญากณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือจิตนี่ย้อนย้อนไปย้อนไปย้อนไปยังลึกไปตามที่พระองค์บอกจิตเข้าถึงความเป็นธรรมเข้าถึงสัจธรรมโอ้สัจธรรมเหล่านี้เป็นอย่างนี้เลยตื่นเนื้อตื่นตัวรู้สึกเนื้อรู้สึกตัว ปลอยปลดเปลื้องตันหาอุปาทานที่เกิดยึดเกิดถืออย่างเหนียวแน่นมั่นคงว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตนว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของเราว่าเป็นของเขายึดสิ่งนู้นเข้ามายึดสิ่งนี้เข้ามาในกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่เป็นประจำพวกเราทั้งหลายมีกิจกรรมที่เราต้องมาทํามาประกอบที่เรียกที่เราเรียกว่าเป็นเป็นการบุญการกุศลเนี่ยเรามาสั่งสมมาอบรมเพื่อให้บุญญาบา ร, รมีของเราแก่กล้า เป็นการเพิ่มพูนเป็นการปูพื้นทานเพื่อที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยดำเนินไปสู่ความรู้ความเข้าใจหลักสัจธรรมเหล่านี้เพื่อเป็นการปลดปลื้งกองทุกออกจากหัวใจความทุกข์ที่ทับถมหัวใจของเราเป็นยืดยาวไปแบบไม่มีที่จบถ้าหากเราไม่รู้สัจธรรมไม่เข้าถึงหลักสัจธรรมก็คือเกิดแก่เจ็บตายที่เราเรียกว่าวัฏฏะสงสารตายแล้วเกิดเกิดแล้วแก่แก่เจ็บตาย แล้วไปเกิดอีกแกเจ็บตายตายแล้วไปเกิดอี ก, ก, ก, อกในระหว่างที่ยังไม่ตายต้องทำมหาตินต้องอยู่ต้องทนทุกททุ ก, ท, ก, ท, กทรมานต้องสารพัดเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บกายเจ็บใจเจ็บทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดที่ใจมันคาดหวังให้เป็นไปตามใจมันแต่มันไม่เป็นไปตามนั้นมันก็ทุกความหวังทุกอย่างทํานํามาซึ่งความทุกความหวังทุกอย่างนํามาซึ่งความสําเร็จอาจจะสมหวงังหวางบ้างไม่สมหวังบ้าง แต่ส่วนส่วนมากจะนํามาซึ่งความทุกข์ร้อยทั้งร้อยนํามาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งกองทุกข์ก็เหมือนอย่างเราต้องการให้ร่างกายนี่นะไม่แก่แต่มันต้องแก่โปะนูน้นโปะนี้แต่งนูน้นแต่งนี้เสริมนูน้นเสริมนี้สรารพัดเพื่อไม่ให้มันแก่มันก็ต้องแก่โผล่มาตรงนี้จนได้โผล่มาตรงนั้นจนได้ถูกไหมเป๊วใจไหมนั่นคืออะไรนั่นคือการยึดของเราเรายึดมันมีสิ่งที่พาให้จิตเราหลงเพื่อที่จะให้เรายึด สิ่งที่พาให้เราหลงก็คือความไม่ฉลาดของใจของเราเองนะมันทําให้จิตของเราเนี่ยเศร้าหมองไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้จักปลดไม่รู้จักเปลืองไม่รู้จักพิจารณาให้เห็นข้อเท็จจริงของสิ่งเหล่านั้นถ้าสรุปไปแบบง่ายๆก็คือเราไม่ฉลาดของเราเองเรางกของเราเองการตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อมาฝึกมาฝนมาชําระมาขัดมาการาจิตของเราให้ให้ฉลาดให้รอบรู้ที่เราเรียกว่ารู้เท่า แล้วก็รู้ทันรู้เท่าตันหารู้ทันตันหาตันหาที่มีอยู่ในหัวใจตันหานี่มันเกิดขึ้นมาจากไหนอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเองได้ไหมตันหามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่กับการบริชาต์ไหนเราก็ทราบไม่ได้ท่านก็เกิดขึ้นมาจากตันหาเราก็เกิดขึ้นมาจากตันหาทุกคนสัตว์โลกในโลกนี้เกิดขึ้นมาจากตันหาเพราะเรามีตันหาแล้วมันก็มีอุปาทานตามมาเพราะมีอุปาทานทามาอุปาทานแปลว่ายึดเอาถือเอาสําคัญมั่นหมายเอา พอมีอุปาทานตามมาพบก็ตามมาคําว่าพบคือที่เกิดหรือเราจะพูดถึงอารมณ์ของจิตคือสถานะของจิตมันเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งเปลี่ยนจากอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าพบพบคือสถานะของจิตที่จะต้องพึงเปลี่ยนไปพบคือที่เกิดมีพบแล้วก็มีชาติชาติคือต้องไปเกิดอ่าก็เหมือนอย่างเรานึกคิดที่อดร น, นึกคิดอย่างนั่นนั่น นั่นจิตมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นนึกไปคิดจังสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปหละไปตามไอ้ที่เรานึกเราคิดนะบุญคือคุณงามความดีในใจของเราเช่นเดียวกันเรามีบุญมากเรามีศีลมากเรามีธรรมมากมันก็มีสถานะมีที่ตั้งของจิตอีกที่หนึ่งที่จะเป็นเหตุให้เราได้ไปเกิดอะพอพอพ อ, พ อ, พ, อพอเรายึดมั่นถือมั่นกับบุญกับกุศลอย่างเต็มแปรอย่างเต็มที่ถึงขั้นไหนระดับไหนอ่า พอเราเปลี่ยนจากพบภูมินี้เราก็ไปสู่พบภูมินั้นเพราะว่ามันมีที่อยู่แล้วมันมีที่อยู่แล้วที่นั่นคือที่ที่ของจิตมันจับจองไว้ก่อนแล้วมันเป็นคุณสมบัติของจิตที่มันปรับพื้นเพย์จรินิสัยของจิตได้พอระดับชี้ไปชนจากนี้ไปแล้วจิตมันกจ็จะต้องไปอยู่ตามภาวะตามสถานะที่มันมีเอาไว้มันก็ไปหาอัตภาพได้ร่างกายไปพลูไปพูดไปโพลอไปเกิดขึ้นที่นั่น จ่เรียกว่ามีพบที่ไหนเราจะต้องไปเกิดที่นั่นเป็นชาติที่นั่นพอมีชาติคือความเกิดที่ไหนก็ต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายที่นั่นในระหว่างก่อนตายนี่นก็โอ้ยทุกทรมานแสนเข็ยนสารพัดคือเหมือนอย่างที่พวกเราประสบพบเห็นนอะทุกเวลาความทุกข์มันหมุนมาที่หัวใจของเราหมุนอย่างเต็มที่เราก็ดูไปที่อะไรกัน แ, น, น, แ น, น, น่อะไรกันแน่ย้อนไปดูมันอะไรกันแน่อะไรกันแน่อะไรของมึงวะอะไรของมึงวะย้อนไปดูเพื่อ เพื่อขุดเพื่อคุยเพื่อสร้างเงื่อนสร้างปมสร้างปัญหาเพื่อที่จอบใจชอนใจชายหาเหตุหาปัจจัยว่าอะไรคือสาเหตุให้เกิดความทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยคุณสมบัติหรือความรู้ทั้งหลายทั้งปวงคนอุบายวิธีทั้งหลา ย, ท, า ย, ท, ลายทั้งปวงเหล่านี้มันก็ไปจากพระพุทธเจ้าไปจากพระศาสนาไปจากพระพุทธศาสนาเนี่ยที่พวกเราเวียนกันมาประกอบกิจการเอาลูกมาบวชบ้างอื พาญาติไปทําบุญที่นู่นบ้างที่นี่บ้างไปเสียสละให้ทานที่นู่นบ้างที่นี่บ้างสร้างพัดสร้างวากุติวิหารที่นู่นที่นี่ทอดกรถินผ้าป่าที่นู่นที่นี่ช่วยเหลือคนนู่นที่นู่นที่นี่เพื่ออะไรเพื่อเราสร้างสถานะของจิตของเราให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีทางเดินสองทางทางหนึ่งกุศลและกรรมบทอีกทางหนึ่งอะกุศลกรรมบทคําว่ากรรมบทตรแปลว่าทางเดิน ไปดูเถอะกุศลกรรมบทไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้รัฐพูดผิดในกรรมกายกรรมสามใบจีกรรมสี่ไม่พูดเท็จพูดอย่าพูดซอเสีย พ, พ, พูดเฟเจอเนี่ยนีทีนี้ก็อีกสามกายกรรมสามใจีกรรมสี่มโนกรรมสามไม่ลบไม่ลบอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายขเขาเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมอันนี้จะต้องเข้าถึงได้ด้วยปัญญา เห็นถูกตามทํานองคลองธรรมคาว่าทํานองคลองธรรมก็คือภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันเราไม่สามารถจะไปดัดแปลงไปตกไปแต่งไปอะไรต่ออะไรมันเป็นอยู่ตามภาวะดั้งเดิมของมันที่ท่านเรียกว่าตามตามธรรมเห็นถูกเห็นถูกตามทํานองครองธรรมคาว่าเห็นถูกในที่นี้หมายความว่าความเป็นจริงมีอยู่อย่างไรเราก็เข้าใจอย่างนั้นตามจริงเหล่านั้นมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นที่ท่านเรียกว่า อ่าเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาโลภก็มาจากราคาพยาบาทปองร้ายเขามาจากโทสะเพรอเราโลภมากๆเราอยากได้เราก็แสวงหาพอเราแสวงหามีคนมาขัดมาข้องมาคาเราก็โกรธโกรธมากๆเข้าเป็นพยาบาทคําว่าพยาบาทหมายถึงจองเวนผูกเวนผูกภัยผูกกรรมแก่กันและกันแล้วสิ่งเหล่านี้มันตามมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอน ค้นทางปฏิบัติง่ายๆ10บอย่างที่เรียกว่ากุศลกรรมบวอกุศลกรรมบวทางเดินคำว่าทางเดินในที่นี้หมายถึงการปฏิทางทางปฏิบัติไม่ใช่ทางเดินเหมือนหลังทางเดินเท้าสนุนคอนกรีตลาดย่างเหมือนอย่างที่เราเดินไม่ใช่ทางเดินในที่นี้หมายถึงข้อปฏิบัติกายกรรมสาวจีกรรมสี่เราสํารวมระมัดระวังได้ด้วยสินสินห้าก็ตามศินแปก็ตามสินสอรยี่สิบเกียรก็ตามเพื่อสํารวมระมัดระวังเรื่อง กายกรรมเรื่องวจีกรรมกิเลสมันออกมาทําผลผลมาสร้างผลผลของมันทางกายกรรมเอากายมาทํากิเลสมันออกมาสร้างผลิตผลของมันทางวาจีกรรมคือคํา พ, พูดพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพลยเจอเป็นผลิตผลของกิเลสเท่านั้นแหละออันนี้คือผลผลของกิเลสที่มันแทรกมันแทกออกมาเราสามารถ <c oughs> ระงับดับได้ด้วยอํานาจของสินเพราะฉะนั้นในเมื่อเราทราบคุณค่าอยู่างนี้เราเห็นคุณค่าของศิน ศีลจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเราจะตั้งตนเป็นคนดีปรารถนาเป็นคนดีทีไรเมื่อไหรเราอย่าลืมศีลมาศึกษาเรื่องศีลศีลหศีล8ศีลสิส 5, ส 8, สของสมณเณรศีลสองิบเจ็พระเจ้าประสงค์เราก็ามาศึกษาเข้าศีลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการระ ง, งับบาปกรรมชั่วหยาบที่มันจะพึงทะลักทะลวงทําให้เราแสดงเพื่อเป็นการตอบสนองมันทางกายกรรมทางวจีกรรม กายกรรมก็คือร่างกายทําวจีกรรมก็คื อ, อคําพูดมโนกรรมก็คือความนึกคิดในใจกรรมของเราเนี่ยเกิดทางเกิดขึ้นแห่งกรรมก็มีสามอย่างมีทําทางกายทางวาจาและก็ ท, ทางใจอเพราะฉะนั้นศีลเป็นเรื่องระงับบาปกรรมทางกายทางวาจาได้หมดไปสองแล้วนะหมดไปสองส่วนลวะเหลือทางใจทางใจจะจะสงบระงับได้ยังไง ทางใจท่านจึงให้สงบระงรับกิเลสวิธีสงบระงรับกิเลสนั้นมีสองอย่างหนึ่งท่านสอนให้สงบสองท่านสอนให้พิจารณาหรือท่านเรียกว่าสมถะกรรมฐานหรือสมถะภาวนาวิปัสนากรรมฐานหรือวิปัสนาภาวนาเนี่ยอันนี้สามารถทําให้เกิดทำให้เกิดปัญญาเพื่อไปทําลายความโลภโลภอย่างไรของเขาพยาบาทป้องร้ายเขา เห็นถูกตามทรรนองครองธรรมถ้าเราไม่เข้าไปตามเส้นเส้นสายเส้นทางที่ท่านบอกอยู่นี้ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปถึงได้เราไปดูวิชาการทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีเรียนศึกษากันอยู่ในโลกมันเป็นวิชาการที่เรียนรู้ตามหลักภาวะปลีกย่อยข้างนอกไม่ใช่วิธีการที่จะมาแก้ทุกข์ทางหัวใจที่เป็นสมุทัยโดยตรงแต่ก็เป็นเครื่องที่เราศึกษาตล่อมเข้ามาตล่อมเข้ามาเพื่อที่จะมาเรียนรู้มาศึกษามาถึง ข้างในคือหัวใจของเราเนี่ยไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาเห็นถูกต้องตามทํานองครองทำจะต้องศึกษาสมรรถะและวิปัสสนาจะต้องมีเวลาให้นะยืนแล้วก็เดินยืนแล้วก็ภาวนาได้เดินภาวนาได้คือเราเราพูดง่ายๆคือหนึ่งทำจใจสงบอยู่กับอารมณ์เดียวสองพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาใช้สติใช้ปัญญาพิจารณ า, ญญ า, พรณาเพื่อให้เกิดปัญญาทําไงเราจะสงบระ ง, งับความโลภได้ ทำไงเราจะสงบระ ง, งับความพยาบาทปองร้ายได้ทําไงเราจะทําความรู้ตามสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงได้ที่เรียกว่าเห็นถูกเห็นตรงตามที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงตามทํานองคลองทำคําว่าทำนองคลองทำก็คือเมื่อเราสรุปทํานองคลองทำของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นทํานองคลองของธรรม พอเราเห็นภาวะของธรรมทั้งหลายทั้งพวกเหล่านี้เราก็ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยจิตใจมันก็ปล่อยจิตใจก็ปล่อยในเมื่อมันปล่อยตันหามันก็ไม่เกิดในเมื่อตันหาไม่เกิดความปล่อยมันก็เกิดในเมื่อความปล่อยเกิดตันหามันก็ไม่เกิดเมื่อตันหาไม่เกิดความปล่อยคืออุปาทานยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดมันก็สับปนกันอยู่อย่างนี้มันก็สับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้เมื่อเมื่อความยึดไม่เกิดพบก็ไม่เกิดเมื่อพรบไม่เกิดชาติก็ไม่เกิดชาติไม่มี เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านขาจัดสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ชีวิตของท่านจิตใจของท่านกรรมภายในหัวใจของท่านท่านชำระจนเลี่ยงเปล่าหมดจดหมดเชื้อหมดเชื้อที่ท่านจะต้องไปเกิดไม่มีพบไม่มีพบเนื่องจากไม่มีอุปาทานไม่มีอุปาทานเนื่องมาจากไม่มีตัณหาไม่มีตัณหาเนื่องมาจากอะไร เนื่องมาจากใช้ปัญญาทําจิตให้สงบใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดปัญญาตาเห็นรูปสักทว่าเห็นหูได้ยินเสียงจมูกดมเปลี่ยนลิ้นลื่มเพราะศักแต่ว่าสักแต่ว่าสักดิแต่ว่ า, วาไม่ปล่อยให้เกิดตัณหาไม่ปล่อยให้เกิดเวทนาไม่หลงไปกับเวทนาแต่ถ้าเราปล่อยให้หลงกับเวทนาสันหน่อยหนึ่งตัณหาเมื่อกาะเมื่อตัณหาก็อุปานทานก็เก่อพบชาติก็เกาะ มันเกี่ยวข้องผูกพันมาลึกละเอียดลึกซึ้ ง, ถ, งถึงขนาดนี้อย่างนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันประวารณาอ่าเป็นวันประวารณาออกพรรษา <c oughs> ตามปกติวันนี้เป็นวันอุโบสถพระพุทธเจ้าท่านอนุ ญ, ญาตเป็นพิเศษไม่ต้องสวดปฏิโมกข์วันนี้ท่านให้ประวารณาแทนท่านในพระสงค์ที่จำพรรษาอยู่ในสามเดือนไตรมาสเดียกันเนี่ยทำการประวารณาแทนคาว่าประวารณาแปลว่า ยินยอมให้บอกกล่าวตักเตือนแก่กันะไรกันได้ผู้ใหญ่ก็บอกกล่าวตักเตือนผู้น้อยได้ผู้น้อยกอ็บอกกล่าวตักเตือนผู้ใหญ่ได้แต่ก็ต้องเป็นไปตามกิริยามารยาทเป็นไปตามกิริยามารยาทเห็นผู้ใหญ่ว่าอยาง ผ, ผู้น้อยก็สัตว์ผู้ใหญ่ปัง้งป้งปัง้ปงเหมือนกันมันก็แย่มันไม่มีมารยาท อ, อันนี้พระพุทธเจ้าสมัยพระองค์ยังทรงพระชวนอยู่พระองค์ก็พาธรรม พระอง wszystkich. ค์พระองค์ก็ส่งผ่าถามพวกเธอเห็นเราปกครองยังไงยังไงบ้างถามภาษาทีบุตรถามพระโมคคัลลานะเพื่อที่จะได้แก้ไขเพื่อที่จะได้ปรับปรุงอันนี้คือการประวารณาจากนั้นแล้วพระสาวกก็ประวารณาให้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็ประวารณาแก่กันและกันการประวารณานั้นพระท่านจะประวารณาเป็นรายบุคคลประวารณาเป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์หมายความว่าสมมติอย่างวัดนี้35สองค์เนี่ยองค์หนึ่งประวารณา ก็เท่ากับภารณาทั้งหมดในวัด ต, ตั้งแต่หัวหน้าลงไปเนี่ยพบวาวนาปั๊บเท่ากับวารณาเออเราด้วยรังเกียจ ด, ด้วยงสงสัยด้วยเห็นด้วยได้ยินได้ได้ฟังด้วยรังเกียจ ด, ด้วยสงสัยว่าเรามีพฤติกรรมเป็นอย่างนี้เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้อ่าให้บอกได้ให้ถามข้อข้องใจได้เพื่อเพื่อเราจะได้อ่าเมื่อเราทราบเราเข้าใจแล้วเราจะได้ปรับปรุงแก้ไข สำรวมระวังต่อไปนีตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงไปองที่หนึ่งที่สองที่สามที่ 4, ลงไปจนถึงองสุดท้ายแต่ละองลุกขึ้นมารวาวนาก็คือวาวนาหมดทั้งวัดเลยแต่ละองค์ปวาวณาคือวาวนาหมดทั้งวัดคือยอมให้บอกกล่าวตักเตือนและผู้ถูกบอกกล่าวตักเตือนก็ ให้ยินดีรับฟังคําบอกกล่าวคําตักคำเตือนผู้บอกก็บอกด้วยเมตตาผู้ฟังก็ฟังด้วยเมตตาต่างหวังประโยชน์แก่กันและกันมันเป็นการเปิดเผยหัวใจแก่กันและกันไม่เอาไปเก็บไปคิดให้เกิดเรื่องวุ่นวายอยู่ในหัวใจนี่จะเรียกว่าปวารณาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ทําแทนอุโบสถคําว่าอุโบสถก็คือท่านต้องสวดปฏิโมกข์สิญสองี่สิบท่านต้องสวดทุ ก, กึ่งเดือนศิญสองี่สิบ น, นะ พุทธเจ้าต้องให้พระสงฆ์เอามาทบทวนทุกกลึงเดือนถึงวันอภิษฎต้องเอามาสวดถึงวันอภิษฎต้องเอามาสวดแต่วันนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงยกเทียบเท่ากับประวารณาบอกกล่าวแก่กันและกันใครเห็นใครผิดทุกอะไรต่อะไรยังไงด้วยรังเกียดด้วยสงสัยด้วยได้ยินได้ฟังด้วยรังเกียจ ด, ด้วยสงสัยสมอย่างน ะ, ะทิเทนาวาสุเตนาวาปริสังกายาวา ด้วยได้ดยได้เห็นดยได้ยินได้ฟังด้วยรังเกียจสงสัยโดยได้เห็นเอะกิริยาแบบนี้ไม่เหมาะด้วยได้เห็นโดยได้ยินได้ฟังเอะได้ยินองค์นั้นทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นเหตุรังเกียจสงสัยโดยได้ยินโดยได้เห็นการได้ยินก็เป็นเรื่องรังเกียจหน้ารังเกียจหน้าสงสัยเป็นเรื่องหน้ารังเกียจดยได้เห็นก็เป็นเรื่องหน้ารังเกียจเป็นเรื่องน่าสงสัยก็บอกกล่าวตักเตือน บอกเราตักเตือนแต่ต้องเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามวินยัยนอกเหนือจากธรรมจากวินัยไม่ได้เจ้าของเคยเจอเหมือนกันแหละมูเพื่อนบางคนไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เอาทิฏฐิส่วนตัวมาว่าเราเอไม่ถูกนะนี่ไม่ถูกมันไม่มันผิดทำผิดวินยัยเคยมีเคยเจอมาแล้วนี่คือความไม่เป็นธรรมเราได้ผสมมาเองอืเคยบอกในในเรื่องในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องผิดศีลผิดธรรมผิ ด, ผดวินยัย มันเป็นเรื่องไม่ชอบใจเป็นเรื่องส่วนตัวคือเขาต้องการจะทำสิ่งนี้แต่ครูบาอาจารย์ไม่ให้ทำแต่พอดีเราบังเอิญยังไงมารู้เราทำได้ไเขาเลยมากระแนกระแนมาตาหนิเรามารังเกียจเราเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราไม่ได้ทำผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยอะไรนี่คือการยกโทษยิ่งทำแบบนี้เจ้าของก็ยิ่งยิ่งยิ่ ง, งตาซ้ำลงไปอีกแหละ กิเลมันยิ่งตีตลาดเข้าไปอีกเรื่องเหล่านี้ผู้จะบอกกล่าวจะตักเตือนด้วยรังเกียจเลยด้วยด้วยได้เห็นด้วยได้ยินด้วยสงสัยก็ต้องระมัดระวังก็ต้องระมัดระวังแต่การบอกกล่าวตักเตือนกันนั้นเป็นการบอกเราให้รู้ตัวเพราะทุกคนด้วยเหตุที่ทุกคนไม่มีสติปัญญารอบครอบพระพุทธเจ้าท่านจึงให้อาศัยหมู่เพื่อนพวกพ้องบอกกล่าวตักเตือนแก่กันและกันพวกเราชาวบ้านนะ อ ย, าาอยู่คราวาดอยู่คลองเรือนเราก็ปรับมาใช้ในครัวเรือนของเราในหมู่พวกพ้องพี่น้องของเราในโรงงานของเราในที่ทํางานของเราเราสามารถพวารณากันได้เ อ, อใครเห็นรังเกียจหน้ารังเกียจสงสัยอะไรยังไง อ, อ้าช่วยบอกกล่าวช่วยช่วยแนะนําช่วยตักเตือนเพื่อเราต่างจะได้สํารวมระมัดระวังต่อไปดีไหมดีมาก ครอบครัวเนี่ยผัวก็มัดกิ้วๆๆ ก, กิ้วกิ้วเมียก็มัดกิ้วกิ้วกิวกิวกิ้วอ๋อทำอะไรปิดหูปิดตาซะหน่อยหนึ่งอันนั้นปึ้งอันนี้ก็ปั้งเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เปิดเผอในหัวใจแก่กันแล้วกันต่างรังเกียจ ต, ต่างหวาดต่างระแวงต่างสงสัยกินอยู่หลับนอนไม่เป็นผาสุขนี่คือความทุกข์ทุกที่เกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นทูกกิเลสมันใสหั <c oughs> เหมือนเด็กๆมันใสยิ่งหลีในกัดกันนั่นแหละ เราหน่าเจ็บแสบไหมกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเราเนะี่ยพยายามฝึกฝนอบรมตั้งใจรักษาศีลประพฤติธทมปฏิบัติทําให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเนี๋ยออกภาษาแล้วเหมือนกับตัดหางปล่อยเหมือนกับปล่อยนกปล่อยปล่อยกระลอกปล่อยกระแตปล่อยลิงเข้าป่าเข้ารกเข้าปงเหมือนเดิมไม่ใช่นะใครตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติทำมาเหมือนเดิมทําไปได้เหมือนเดิมเพราะ อายุเราล่วงไปไปเราล่วงไปวันคืนล่วงไปความดีเรายังไม่เต็มภายชนะเรายังบกพร่องรูอยู่เราอย่าไปอิ่มไปพอเรื่องบุญให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ให้มีการ ร, รู้สึกอยากได้อย่าเห็นแก่ความสะดวกสบายอย่าเห็นแก่ตัวให้นึกถึงข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนโดยเฉพาะในภาษาใครตั้งใจรักษาศีลมาตลอดก็พยายามนึกถึงเรื่อยๆนึกถึงบ่อยๆ่อยถือปฏิบัติเรื่อยๆถือปฏิบัติบ่ อ, บบอยๆปฏิบัติจนเป็นอายจิน แต่ว่านอกพรรษานี่ผู้เฒ่าบอ ม, มารักษาโบาสดเด้ใครไม่มาให้รักษาอยู่ตามบ้านนะใครมีเวลาก็มามามารักษาโบสถเนี่ยจะรักษาเฉพาะไหนพรรษาแต่ลมาหายใจฟอดฟอดมันรุ่น ม, มันไปเมื่อไหร่ข้าไม่ออกก็ตายออกไม่เข้าก็ตายแต่ว่าสินธรรมของเรายังบกพร่องอยู่อย่าไปทอดทุระอย่าไปทิ้งสิ่งเหล่านั้นเสียดายให้เราถือประพฤติปฏิบัติไปเหมือนเดิมทําบุญให้ทานใส่บาตร เสียสละเพื่อการกุศลทั้งหลายทั้งปวง